สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรณ์คนชอบเล่าวันนี้ผมขอหยิบยกเรื่องของมหาเทพหนึ่งองค์ที่คิดว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของท่านและก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่รู้ลึกมากไปว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไงนั่นก็คือพระยาโยมราชครับหรือว่าพระยายมยมบาบาล น, นั่นเองเจ้าผู้ครองนรกวันนี้ผมจงไปหาประวัติแบบพอสังเขปคร่าวๆเท่าที่จะหาได้ มาเล่าสู่กันฟังครับประดับความรู้สําหรับท่านที่ยังไม่รู้สําหรับท่านที่รู้แล้วก็ฟังไปเอาเพลินได้กันนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบักหามอย่างน้อยเรื่องราวประวัติของท่านก็อาจจะทําให้พวกเราหลายๆคนชุกคิดได้ว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราควรจะทําอะไรระหว่างดีกับชั่วเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของพระยาอมราชคําว่ายมแปลว่าผู้ยับยัง้ง หมายถึงผู้ยับยั้งผู้ประกอบกรรมทำชั่ว น, นั่นเองนอกจากนี้ยังมีนามอืน่นอีกมากมายเช่นยมมาราชยมมาบาลธรร ม, มาราชมัจจุราชมฤตยูการอีกหลายชื่อในคำพีพระเทวะออกนามพระยายมว่าสังขมโนชนะนามแปลว่าผู้รวบรวมคนและ ว, ว่าเป็นใหญ่ในปิตริทั้งหลายคือถือเป็นต้นโคตแห่งคนที่ร่วงลับไปแล้ว เท้าพญายมราชหรือพยอมในเทวตํานานยุคต้นๆหรือท้าจัตตุรกบาลแห่งทิศ ท, ทักษิณที่กล่าวไว้ก็คือเป็นองค์องค์เดียวกันมีลักษณะใบหน้าที่ดุดันมีพระวรากายสีแดงทรงเครื่องอย่างกษัตริย์พระหัตถ์ขวาถือบ่วงยมบาทคือบ่วงบาทที่ใช้จับมัดวิญ ญ, ญาณทั้งหลายพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้ายมทันและทรงระบือเป็นพาหนะมีอิทธิฤทธิ์มากมายมีหน้าที่และพิพากษาปกครองดูวิ ญ, ญญาณทั้งหลายในนร ก, กภูมิ มีบริวารคือยมมาทูตหรือนายนิรยาบาลที่มีหน้าที่นำวิญญาณทั้งหลายไปยังสำนักพญายมและลงโทษแก่ดูวิญญาณในนรกและตามตำนานลัทธิข้างฝ่ายจีนมหา ย, ยานก็กล่าวไว้ว่าพญายมเป็นพระพุทิสัต์อีกหนึ่งพระองค์นั่นเองและบริวารของท้าพญายมที่คนไทยรู้จักดีก็มีด้วยกันอยู่สององค์ได้แก่พระการชัยศรีและเจ้าพ่อเจตคุปซึ่งมีรูปเคารพอยู่ที่ศาลหลักเมือง ทำหน้าที่จดชื่อและจับวิญญาณที่ชั่วร้ายที่จอกมารบกวนชาวบ้านชาวเมืองพระยมมีหน้าที่พิพากษาผู้ตายอย่างเที่ยงธรรมจึงมีพระนามว่าธรรมหรือธรรมราชอีกหนึ่งชื่อและมีชื่อที่เรียกอยู่ว่ายมปุระเพราะเมื่อคนเราตายมโนจิตหรือดวงวิญญาณจะไปสู่ยมปุระเพื่อให้พญายมตัดสินลงโทษ ต, ตามความผิดโดยมีจิตตรคุปหรือบางแห่งเรียกว่าจันทรคุป ที่มีผู้ชายสองคนคือจันทร์หรือมหาจันทร์และการลบุรุษเป็นผู้อ่านประวัติของผู้ตายอันจดไว้ในสมุด ร, รายชื่ออักขระสันทนาและพญายมราชก็จะพิพากษาดังนั้นพญายมราชจึงมีอำนาจนิกรชนจึงได้นามว่าทันตะธรแปลว่าผู้มีอำนาจลงโทษประสาทที่ตำแหนักของพญายมาก็มีชื่อว่ากาลีจิมีบรรลังชื่อวิจารภู ส่วนคนเดินหนังสือของพระยายมราชเรียกว่ายมทูตคนเฝ้าประตูประสาทชื่อไวยทศแต่บางตำนานได้กล่าวถึงผู้เฝ้าทางที่จะไปถึงสำนักพญายมว่าเป็นหมาสองตัวชื่อสามะคือหมาดำและสวละหมาด่างสุนัขสองตัวนี้มีรูปร่างที่ประหลาดมากก็คือมีตาถึงห้าตามีรูจมูกที่กว้างมากทั้งยังมีนกฮูกด้วย ถ้าส่งไปหาใครก็เป็นสัญญาณแห่งความตายหน้าที่ของพระยายมนั้นเป็นโลกบาลที่ทักษิณซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นที่สถิตของพระองค์ก็น่าจะอยู่เป็นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกสวรรค์ชั้นหนึ่งในฉากรมาพระจรดังที่กล่าวไว้ในเรื่องจตุโลกบาลแล้วแต่ในไตรภูมินั้นพระยมนั้นมีที่อยู่เป็นเมืองใหญ่โตมากๆอยู่ใต้แผ่นดินที่เราอยู่เรียกว่ายมบาโลกหรือยมปุระก็คือเมืองนรกนั่นเอง นรกนั้นมีหลายขุมนักที่สำคัญใหญ่ๆก็มีอยู่8ดขุมเรียงลำดับคร่าวๆก็คือขุมที่ 1. สัญชีพนรกขุมที่สองกาละสูตรนรกขุมที่สสังคาตนรกขุมที่สโรรุพนรกขุมที่หมหาโรรุพนรกขุมที่ 6. ดาปันรกขุมที่ 7. มหาดาปานรก และขุมที่8มหาอเวจีนรกนรกใหญ่ทั้ง8ดขุมนี้มีบริวารหรือแบ่งสายออกไปอีกมากมายจนนับไม่ถ้วนว่ากันว่าสัตว์นรกขุมแรกจะมีอายุยืนได้500ปีของเมืองนรก1วันกับ1คืนของเมืองนรกเท่ากับ9ล้านปีของเมืองมนุษย์ส่วนสัตว์นรกขุมอื่นที่อยู่ถัดไปจะมีอายุยืนทวีคูณจํานวนปีของนรกขุมแรกหรือสองเท่าเป็นลําดับกันไปเรื่อยๆจนนับไม่ถ้วน การนับปีเดือนของเมืองนรกเปรียบเทียบกับเมืองมนุษย์ที่พูดกันติดปากในหมู่ของชาวบ้านสมัยก่อนมักกล่าวว่าร้อยปีของเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันกับหนึ่งคืนของเมืองสวรรค์ร้อยปีของเมืองสวรรค์เท่ากับหวันหนึ่งคืนของเมืองนรกจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่เสวยกรรมดีกับกรรมชั่วเมื่อมนุษย์ได้ตายลงไปช่างแตกต่างกันอย่างมากอันนี้ควรจะพึงสังวรกันไว้ตำนานท้าพญายามราชมีการกล่าวถึงกาเนิดหลากหลาย อาจจะเป็นเพราะพญายมเป็นตําแหน่งเทวราชผู้ปกครองยมโลกที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามมาติของเทวสภาหรือบารมีที่สั่งสมกันอย่างเหมาะสมทําให้ไปเกิดเป็นพญาโยมราชจากเทวะตํานานในยุคต้ น, ตนได้กล่าวไว้ว่าเท้าจาตุโลกบาลที่ทักษินหรือพญมมีกําเนิดอยู่หลายแบบดังที่จะยกเป็นตัวอย่างมาดังนี้กล่าวคือในยุคต้นที่ยังไม่มีวิญ ญ, ญาณใดที่เหมาะสมเท้าจาตุโลกบาลทิทักษินก็คือ ทาววิุลหทรงเป็นเทวะกําเนิดจึงต้องรับภาระในตําแหน่งพญายมหรือพญมตํานานกล่าวไว้ว่าบริวารของพญายมก็คือยมปทูตยมทูตก็คือกลุ่มพันพวกหนึ่งนั่นเองแต่เมื่อมีมนุษย์มากขึ้นและสั่งสมบารมีและมีความเหมาะสมจึงได้รับการสถาปนาให้ขึ้นดํารงตําแหน่งว่ากันว่าพญายมราชองค์ปัจจุบันได้อดีตชาตินั้นก่อนที่ท่านจะมารับสถาปนาเป็นพญายมราช ท่านก็เคยเป็นมนุษย์ในครั้งก่อนพุทธกาลในยุคที่ยังมีมนุษย์อยู่กันเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากนักซึ่งท่านเป็นหัวหน้าของชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้มีวิชาวความรู้และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นภายในชุมชนหรือหมู่บ้านของท่านท่านก็จะเป็นผู้นำปราบปรามแก้ไขและต้องตัดสินพิพากษาครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายในหมู่บ้านที่ท่านดูแลอยู่แต่ไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นผู้กระทำด้วยเกรงกลัวความผิดเพราะโทษนั้นหนักถึงกับต้องประหารให้ตายตามกันไปเลย ก็คือชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตและท่านในฐานะของผู้นาหมู่บ้านก็ต้องสอบสวนและเมื่อการสอบสวนไม่มีผู้รับผิดท่านจึงได้ใช้วิชาวความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสกแป้งฝุ่นและสัดออกไปปรากฏเป็นรอยเท้าของผู้กระทําผิดเมื่อตามรอยเท้านั้นไปก็ปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของรอยเท้านั้นก็คือพ่อบังเกิดเกล้าของท่านเองทาให้ท่านเกิดความเสียใจอย่างมากไม่รู้จะทำยังไง ด้วยตัวท่านเองท่านจะพิจนารณาใจอันเป็นธรรมอย่างที่สุดจึงได้ตัดสินให้ประหารพ่อของตนเองจากนั้นก็ออกจากหมู่บ้านไปและก็เร่ร่อนจนท่านเสียชีวิตตามลําพังเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเที่ยงธรรมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะหากท่านไม่บอกใครก็ย่อมม่มี ใ, ใครร่วงรู้ได้อีกทั้งท่านก็ยังได้ดํารงอยู่ในตําแหน่งของหัวหน้าหมู่บ้านยังมีความสุขไม่ต้องลําบากไม่ต้องทําบาปทํากรรมกับบิดาผู้ให้กาเนิด เมื่อท่านได้เสียชีวิตดวงวิญญาณของท่านก็เป็นที่ยกย่องในความเที่ยงธรรมเทวดาทั้งหลายจึงแสดงฉันทามติและสถาปนาท่านให้ดำรงตำแหน่งท้าพยาย ม, มาราชอีกหนึ่งตำนานเรื่องของพยายมบางกระแสก็ว่าเดิมท่านเป็นกษัตริย์ครองคอนครเวสาลีในขณะออกศึกอย่างกล้าหาญนั้นได้อธิษฐานว่าถ้าตายไปก็ขอให้ได้เกิดเป็นเจ้านรกก็สมความปรารถนาที่ท่านอธิษฐาน ก็คือแม่ทัพ18คนกับทหาร 80,000 คนได้ตายตามไปเกิดในนรกด้วยและแบ่งหน้าที่ต่างๆกันแต่พระยมก็ยังมีกรรมที่ติดตัวสนองอยู่ก็คือในระยะ24นากาจะมีปีศาจมากรอกน้ำทองแดงลงไปที่ปาก3ามครั้งเสมอๆจนกว่าจะสิ้นกรรมและเมื่อสิ้นกรรมไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเท้าสมันตราชยกมอีกนหนึ่งคำพีนะครับตามคมภีมหากราบว่าพระยมนั้น คือบุตรเกิดแก่นางกุนดีมเหสีเท้าวปานทุอีกอง์หนึ่งชื่อยุทธิสถียนเป็นโอรสองค์แรกในเหล่าปานนาทบทั้งห้าต่อมาเมื่อทําสงครามมีชัยชนะแก่พวกโกรพแล้วก็ได้เป็นราชาที่ราชคลองนครหัสดินทรงนามว่ามหาธรรมราชาชาวอินเดียนับถือพยุทธิเสถียนธรรมราชาว่าเป็นกษัตริย์นักปกครองในคัมภีรพรรณนารูปร่างของพยมที่เป็นน่าสะพึงกลัวมากคือ มีหน้าตาที่ดูร้ายรูปร่างใหญ่โตสีกายเลื่อมประพัดซ้อนคือสีเหมือนพระอาทิตย์แรกขึ้นใสยอย่างแก้วหรืออีกในหนึ่งว่าสีเขียวในตาวาวทรงมงกุฎนุ่งห่มสีแดงเลือดมีกระบือเป็นพานะมีนามว่าทุนพีถือคทาใหญ่เรียกว่าการละทันหรือยมทันมีในตาเป็นอาวุธเรียกว่าในญาณาวุธ มีบวงสําหรับคล้องดวงวิญญาณของผู้ตายเรียกว่ายมบาทวิมานล้วนไปด้วยทองแดงและเหล็กและมกักจะเขียนว่าท่านมีสก่อนองค์พญา ย, ยมราชจะมีผู้ช่วยสําคัญในการเปน็นนําดวงวิญญาณของสัตว์โลกมาสู่แดนปโุโรหหรือแดนย ม, มโลกก็คือองค์เจ้าพ่อการละชัยสีเจ้าพ่อการละชัยสีนี้มีรูปปั้นอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเทวลักษณะเป็นเทพพญดาที่มีสีก่กน ก้อนหนึ่งถือดวงไฟหมายถึงดวงวิญญาณอีกก้อนหนึ่งถือบ่วงบาทเป็นสั ญ, ญลักษณ์สําคัญในการใช้จับดวงวิญญาณทั้งปวงขี่นกเข้าแมวเป็นพาหนะพระองค์เป็นบริวารของพระยาจอมราชทําหน้าที่เก็บดวงวิญญาณต่างๆบ้านไหนที่จะมีคนตายพระองค์จะทรงใช้นกแสกบ้างนกเข้าแมวบ้างไปเกาะลังคาเป็นการร้องเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือบรรดาลให้มีนิมิต ด, ดีร้ายให้ทราบหากผู้นั้นพอมีปัญญาจะได้รีบขนขวายทําบุญ ก่จะหมดโอกาสทําบุญบนโลกนี้นอกจากนี้พระองค์ยังมีบริวารเรียกว่ายมทูตทําหน้าที่ไปเก็บดวงวิญญาณต่างๆให้พระองค์อีกทีหนึ่งด้วยซึ่งเราชาวโลกจะเรียกท่านว่าพญาแม จ, จุราชนั่นเองนอกจากนี้องค์พญายมราชยังมีบริวารที่ทําหน้าที่บันทึกการกระทําดีทําชั่วเรียกว่าสุวรรณและสุวานสุวรรณนั้นมีหน้าที่ทําการจดกระทําความดีของผู้ที่กระทำความดีที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมการจดนั้น ท่านใส่สมุดทองคำํำยาเมื่อรายงานพยาายุมราชเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการยกขึ้นจบหัวเพื่อเป็นการอันโมทนาส่วนสุวรรณทาหน้าที่จดการกระทําชั่วทําบาปใบตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมการจดก็จดใส่สมุดหนังหมาเป็นการฆ่าโทษเอาไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าองค์พยายมราชนั้นเมื่อได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเบื้องต้น ครูบาอาจารย์ที่ถอดจิตได้อย่างหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวไว้ว่าองค์พระยาจอมราชนั้นปัจจุบันท่านมีภูมิธรรมชั้นอนาคามีเป็นภูมิพรมดำรงตำแหน่งการพิพากษาตัดสินดวงวิญญาณในแดนจอมโลกอย่างยุติธรรมประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคือดวงวิญญาณแต่ละดวงที่มาตกยังจอมโลกนั้นพระองค์จะไต่ถามด้วยความเมตตาว่าระลึกถึงบุญอันใดได้บ้าง หากดูวิญญาณ น, นั้นๆระลึกได้แม้เพียงสักอย่างท่านก็จะอนุโมธนาและให้ไปรับส่วนบุญนั้นๆก่อนหากดูวิญญาณใดๆที่ไม่สามารถจะลึกถึงคุณงามความดีใดๆที่ตนเคยทําไว้ก็ส่งจิตไว้เป็นอุเบกขาว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกท่านก็จะจัดส่งไปลงโทษตามควรแก่ฐานานุโทษของสัตว์นั้นๆในด้านของสา ย, ยาศาสตร์นั้นพระยาโยมราชนับเป็นเทวาราชาองค์หนึ่งที่มีเทพอาวุธอันทรงอนุภาพ เปรียบเทียบกับอาวุธปรมนูซึ่งมีอินุภาพทำลายล้างสูงเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าสามภพในทางตำราไสายศาสตร์ด้านการอนิสงของการบูชานับถือพยายมราชนั้นเชื่อกันว่าผู้ผีปีศาจไม่กล้ามาระรานผู้นั้นจะมีตบะบารมีที่น่าเกรงขามใครคิดร้ายด้วยทุจริตไม่ชอบอิจฉาตาร้อนก็จะแพ้ภัยด้วยตัวเขาเองนอกจากนี้หากมันบูชาพระองค์ท่านเสมอเสมอ ท่านว่าจะห่างไกลาจากความป่วยไข้มีอายุยืนนานหากรับราชการหรือธรรมาข้าขายด้วยความซื่อตรงก็จะเกิดบังเกิดผลความเจริญสุขในชีวิตให้ดีขึ้นไปพระยายมราชมีพระชายาทั้งหมด13นางล้วนเป็นพธิดาของพระทักษะประชาบุตีมีนามดังต่อไปนี้ 1. นางศรัทธา 2. นางลักษมี 3. นางเทฤติ 4. นางดุษฎี 5. นางปุษฎ 6. นางเมธา 7. นางกิริยา 8. นางพุทธิ 9. นางลัชชา 10. นางวัปปุ 11. นางสันติ 12. นางสิทธิ 13. นางเกียรติซึ่งพระชายาแต่ละพระองค์รวมมีบุตรกับพยายมราชทั้งสิ้น และทั้งหมดนี้แต่อาจจะยังไม่หมดเกี่ยวกับประวัติหรือตำนานพอสังเขปของท่านพญายมราชหรือพญามัจจุราชย ม, มบาลที่ผมหามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ